เวลาตกใจก็มักจะส่งเสียงอุทานสมัยนี้ก็อุทานโอ้ยหรือว่าอาจจะเป็นคำตอว่าแต่่นสมัยก่อนนี่เขาอุทานก็จะเกี่ยวก็จะมีธรรมะผสมเข้าไปด้วยนะเช่นอนิจจ า, อานอนิจจาเวลาได้ข่าวคนตายทันทนก็อนิจจา บางทีก็พุทธโทนะตอนหลังก็พุทโทอาอนหลัก็เปลี่ยนเป็นปัตโตอะไรเงี้นะปัตโตอันนี้ก็เป็นเป็นอิทธิพุทธตศาสนาที่มีต่อคนสมัยก่อนวิจารุธารในตรีธรมก็บ่งบอกนะถึงความคิดความเชื่อของตัวผู้ทานด้วย ในสายพุทการก็มีบางคนอุทานแปลกดีนะอย่างนางธนัญชานีเนี่ยเป็นเมียของพราหมณ์แกอุทานว่ายังไงอุทานว่านโมตสักอุทานยาวเลยนโมตสักปะโคโต้นางธนันชา น, นีเป็นเป็นเมียของพราหมณ์เป็นคนที่ศรัทธานในพระพุทธเจ้ามากแล้วก็ในพระไตรปิกว่าเป็นพระสวสดาบันนะ อีกครั้หนึ่งก็มีเพื่อนของสามีเนี่ยก็คือพรานทั้งหลายเนี่ยนะมามาที่บ้านก็มีการจัดอาหารต้อนรับนางสนัญชาตินีก็ทำหน้าที่เอาของมาต้อนรับ ก, ก็ถือถาดมาประเอนเกิดเดินสะดุดเท้าตัวเองก็คงไม่ถึงกับล้มลมั้งก็อุทานขึ้นมาเป็นนมรรรโม ต, ตัสสะภะกวาโตระหาโตสัมมาสัม สามจบเลยบอกก็ว่าตัวสามีเนี่ยคือพระพราทวราชาันโกรธมากเพราะว่ามาอุทานแบบนี้ต่อนหน้าพรามพราพวกนี้ไม่ชอบพทุทธเจา้าเขาคงจะดูถูหรือตอว่าพระราธวาชาเนี่ยว่าอะไรเมียทำไมไม่ไปนับถืออพวกเดรกีอย่างนั้น หน่อยก่อนพราม์ ก, ก็หาพุทธเจ้าเป็นเดรัจฉีนะหรือเป็นพวกที่นับถือศาสนาที่ต่ำต้อยพระธวราชองเสียหน้านะพระเมียงตัวงตัยแท้กลับเป็นนับถือพระโคดมซึ่งเป็นก็เป็นทําหน่งเป็นปรปักกับพวกพรามเลีนยก็เลยโกรธนะโกรธนี่ กรไปถึงผู้เจ้าเลยนะพระราชาชานเนี่ยก็ว่าจะไปตอว่าผู้เจ้านางชนันชานี่ก็บอกว่าไปเลยนะจะได้รู้จักผู้เจ้าสักทีนะว่าพราะองค์มีประเสริฐอย่างไรบ้างพระราชาวชาก็ยิ่งโรกรธเข้าไปใหญนะ่เพราะว่าโกรธที่ทําให้โกรธผู้เจ้าที่ทําให้เมียงตัวนะมาตีห่างจาก ศาสนาพราหมณ์ก็ตรงกัไปหาพระเจ้าทันทีเลยด้วยความโกรธแต่แกก็มีมีมารยาท น, นะแต่ที่จะด่าพระเจ้าก็ต้องการที่จะเรียกว่าเอาชนะพระเจ้าว่าแกแน่จริงหรือเนะเพราะพรามณ์ปรารถวาชานี้ก็คงเชื่อใน สติปัญญาของตัวว่าเหนือกว่าวิธีเอาชนะคือการตั้งคำถามให้ตอก็เลยถามพระเจ้าว่าเนี่ยข้าอะไรจึงอยู่เป็นสุขข้าอะไรจึงไม่เศร้าโศกรเจากะตอบทันทีเลยนะว่าข้าความโกรธจึงอยู่เป็นสุขข้าความโกรธจึงไม่เศร้าโศกแล้วก็ผู้เพิ่มเติอพระเยซูจ้าเนี่ยจะระเสริการค่าความโกรธซึ่ง มีรากเป็นพิษและมียอดหวานเมื่อค่าความโกรธได้ก็ย่อมไม่เศร้าโศกย่อมอยู่เป็นสุขประชาชาซึ่งกำลังโกรธอยู่นะพอได้ยินอุจารตัดเช่นนี้ก็คงจะได้สติเลยนะตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวว่าโกรธด้วยอย่างที่ที่จริงคนทั่วไปนะเวลากลัวก็ไม่รู้ตัวว่าโกรธอยู่แล้วเพราะจิตมันส่งออกนอกเต็มที่เลยคิดหมายจะ ทำร้ายหรือว่าเล่นงานคนที่อยู่ข้างหน้าพระพุทธเจ้าตรัสเช่นนี้เนี่ยพระธวาชชาก็ได้สติแล้วก็ในก็น้เดียวกว่าเนี่ยก็บรรลุธรรมรโสดาบันเลยในการเห็นความโกรธนะมันตอนหน้าตายอย่างที่หลวงพ่อพูดว่าจะาเอกความโกรธนี่มันที่ก็ทำให้ปัญญาหรือว่า ปัญญาลูกโพร่งนี่มาได้เหมือนกันเห็นความโกรธต่อหน้าเลยเห็นเลยมันทุกข์แท้ตัวทุกข์แท้ก็เป็นพระโสดาบันในทันทีเลยมเมื่อกี้พึ่งมีจิตยพยาบาทอาฆาตกิจะโค้นลมพุทธเจ้าแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นพระโสดาบันไปซะแล้วก็เกิดศรัทธาและสุดท้ายก็ออกบวช แะปฏิบัติธรรมไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ที่คิดจะดาว่าพระุทธเจ้านี่ก็มีเยอะนะพระอรหันต์ที่มีภูมิหลังแปลกๆที่ไม่ค่อยน่าเคารพก็มากมายขี้เกียจมั่งหัวดือ้อมั่งเป็นโจรบ้างเป็นแก่กินบ้างอันนี้มีเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะุปสรรคสำหรับการบรรลุธรรมนะเพราะาทุกคน ก็มีศักยภาพในการบรรลุธรรมอยู่แล้วนะเรียกว่ามีเรื่องมีโพธิจิตก็ได้อันนี้ก็น่าสนใจว่าสู้จ้ายจงใจที่จะเลือกอการฆ่าความโกรธนะที่จริงพวกอนี้ยตัดอย่างอื่นก็ได้ว่าฆ่ากิเลส น, นะย่อมอยู่เป็นสุขนะหรือว่าฆ่าวิชาเนี้ยหรือว่าฆ่า ความโลรธนี้ก็อยู่เป็นสุขนะแต่อันนี้ครูเจ้าตั้งใจเลยนะว่าจะพูดเรื่องการฆ่าความโกรธเพราะพระราธวราชในกลางโกรธสิเป็นวิธีการเตือนสติที่ที่ที่น่าสนใจคนะือไม่ได้พูดตรงๆไม่ได้บอกตรงๆว่าท่านโกรธนะแต่ว่าใช้โอกาสที่พิสัชชานี่หละนะเตือนสติ แล้วก็ให้ปัญญาไปพร้อมๆกันเลยเพราะว่าเมื่อประราชาได้มีสติตั้งสติได้ก็พิจารณาก็เห็นจริงเ น, นที่วิจาร์ตบว่าเนี่ยความโกรธมีเล่าเป็นพิษเนี่ยมันแต่มียอดหวานเนี่ยนี่น่าสนใจนะยอดหวานคงหมายถึงว่ามันมีเสน่ห์นะคนเราเวลาโกรธเนี่ยมันก็รู้สึกว่าความโกรธนี่มีรสชาติ ทั้งที่มันเผาโลนจิตใจทั้งที่มันบีบคั้นใจทั้งที่มันทำให้ความดันขึ้นนะแต่ว่าคนเราพอมีความกรัแล้วมันก็หวงแผงความกรัเอาไว้ไม่ยอมสละไม่ยอมทิ้งง่ายๆอยากจะเลี้ยงความกรัเอาไว้อันนี้มันก็เช่นเดียวกับอารมณ์ต่างๆนะความเศร้าวนะก็มียอดหวานเหมือนกันนะมันมีสเสน่หมันมีรสชาติที่ ถ้าไม่เคยขายก็อยากจะอยากจะประคองอยากจะรักษามันไว้ น, น, นานๆโดยที่ไม่รู้ว่ามันมีรากเป็นพิษนะคือมันมันเป็นโทษอนะรากเป็นพิษนี่มันก็เป็นโทษแล้วก็มีที่มามาจากสิ่งที่เป็นพิษนะก็คือกิเลสอวิชชาด้วยที่เป็นงพพราะนะเพราะว่าพระธรชมพิจารณะโอ้เห็นเลยนะว่าไอความโกรธนี่มัน น่ากลัวนะแล้วเข้าใจเลย ว, ว่าทำไมค่าความโปรดได้จึงอยู่เป็นสุขจึงไม่เศร้าโศกก็ทําให้เกิดปัญญาเนี่ยก็ถือว่าพระราชาเป็นคนมีปัญญาระดับหนึ่งนะเพราะว่าพอได้ฟังเท่านี้เนี่ยก็บรรลุทมได้นี่ที่พู้เจ้าตัดเรื่องการค่าความปวดนี้ว่าอยู่เป็นสุขนี่ก็ทำให้นึกถึง พระทิเบตท่านหนึ่งนะท่านก็อายุแกกว่าทารา ม, มะตั้งหน่อยนะทาระ ม, มะตอนที่จีนเข้ามายึดครองทิเบตท่านก็ประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบนิดหน่อยทารา ม, มะนี่าหนีเข้าอินเดียแต่ว่าลา ม, มะท่านนี้ท่านเป็นลุนลิมโปเช่ท่านเป็นพระใหญ่ก็ไม่หนีนะคราวนี้จีนก็ พยายามที่จะประจับกลุ่มท่านนะเพราะท่านไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อแล้วก็ทรมานด้วยท่านติดคุกอยู่หลายปีไม่ติดประปานทรมานด้วยยางรุนแรงต่อเนื่องแค่อยู่ในคุกของจี น, นในที่เดิมมันทรมานอยู่แล้วนะท่านถูกทำร้ายตอนหลังท่านก็ออกมาท่านได้รับการปล่อยเป็นสลับภาพนะแล้วก็ไม่นานก็ หาทางหนีออกมาที่อินเดียตอนนั้นก็อายุมากแล้วก็คนก็มีหลายคนก็ไปถามท่านว่าช่วงที่ท่านถูกต้องจาอยู่ในช่วงไหนเป็นช่วงที่เลวร้ยรายที่สุดของท่านในช่วงไหนที่ท่านรสึกหวาดกลัวแล้วบอกท่านที่บอกว่าช่วงที่ถูกทรมานถูกบีบขมับถูกตอกเล็บหรือว่าถูกจับกดน้ํา ท่านบอกนั่นไม่ใช่เลยทําไทํนไม่ท่านกลับ ไ, ไม่พูดถึงเลยนะท่านกลบอกว่าในช่วงที่แย่สุดเร็วบร้อยสุดช่วงที่ท่านมีความโกรธคนที่ทรมานท่านคือมันก็นักคิดนะทำไมท่านรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่น่ากลัวที่สุดช่วงที่ย่ําแย่ที่สุดเนะี่ยส่วเนี่เป็นเพราะว่าท่านพอรู้ว่าถ้ า, ถาโกรธเมื่อไหรเนี่ยมันก็ทําให้จิตเป็นอุปสนอยากจะทํำร้าย อยากจะตอบโต้ซึ่งผิดวิสัยสมณะคนะเราเขโกดแล้วมาซ้อมจะทำชั่วได้อาจจะไม่ได้ทำชั่วทางกายก็ทำชั่วทางใจจิดคิดเพียบบาททนี้ก็แย่แนละ้วหรือว่าด่าเขาเนี่ก็นี้ก็ผิดนะก็ผิดศีลผิดวินัยไม่ต้องพูดถึงทำร้ายที่จริงพูะจารี์สอนนะสอนพระเลยนะว่า หากว่ามีคนมาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะท่านเนี่ยเหมือ้เอาเลื่อยอวัยวะพระที่ฟังกันนะถ้าว่ามีจิตคิดร้ายมีจิตแปดพันมีวาจากล่าวร้ายหรือทําร้ายเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าแค่แค่มีจิตคิดร้ายหรือว่ามีจิตแปดพันเนี่ยก็ถือว่าแย่แล้วนะพระเจ้า ตามความหมายที่พระเจ้าสอนเนี่ยคือเไม่ได้แสงว่ไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของเราตถาคตอั น, นี้ถ้าเรามาลูบนีท่านก็คงรู้สึกแบบนี้แหละ ว, ว่าการความโกรธนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากมากเลยเพราะว่ามันมันสามารถทําให้เราทําชั่วได้แม้กระทั่งแค่ความคิดก็ตามใจเหตุผลหนึ่งก็คงจเป็นเพว่าพอท่านโกรธเมื่อไหรเนี่ย มันก็จะเป็นการเพิ่มซ้ําเติมความทุกข์ให้กับท่านเพราะว่าคนที่ทําร้ายท่านเนี่ยเขาทำได้อย่างมากก็คือทําให้ท่านเนี่ยเจ็บปวดทางกายแต่เมื่อกระตันว่ท่านโกรธเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ปวดใจมันก็จะปวดใจด้วยอย่างที่เรารู้ว่เวลามีความกรธเกิดขึ้นใจมันจะทุกข์มากเลยถ้าเขาทาร้ายท่านแต่ท่านไม่โกรธนะเขาก็ทําได้แต่ สิ่งที่เกิดขึ้นกัท่านก็เพียงแค่มีความทุกข์กายแต่ท่านท่านโกรธเมื่อไหร่เนี่ยก็จะทุกข์ใจด้วยอันนี้ก็เลยเป็นการซ้ําเติมตัวเองคนที่ธรรมดาคนที่รักตัวเองก็ย่อมไม่ปรารถนาจะทําให้ความทุกข์เพิ่มพูนมากขึ้นท่านคงรู้ว่าเนี่ยความทุกข์จริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากใครมาทําร้ายตัวท่านนะจะเกิดอา ก, การที่ปล่อยให้ความโกรธนี่มัน มันลุกลามเผาผานใจนั่นตรงนี้แหละที่ ท, ทําให้ท่านลา ม, มาธ น, นิท่านรู้สึกว่าไอ้ชงทิยาสือช่วงที่ทมีความโกรธมีความอแทนผู้ที่ทำร้ายท่านอันนี้ก็ผิดอะมันสวนทางความเข้าใจค น, ท, คน ท, ทั่วไปคนทั่วไปว่าชงทิยาสือคือชงที่มันทำร้ายร่างกายเรานะ ในฝนไม่ค่อยอะไรตัหนักอางจริงแล้วเนี่ยใครทำอะไรเราก็ไม่ไม่แยกเท่ากับว่าเราเนี่ยปล่อยให้ความโกรธนะมาทําร้ายจิตใ จ, จตัวเองได้เวลาโกรธทีไรก็มาจะโทษคนนั้นคนนี้นะโทษคนที่อยู่ข้างหน้าเราโดยที่ไม่ระหนักว่าโอ้ศัตรูหรือว่าตัวร้ายที่สุดเนี่ยคือความโกรดนั้นไม่ใช่คนที่ว่าเราไม่ใช่คนที่ด่าเรา แต่คือความโกรธที่เกิดขึ้นในใจเราต่างหากอันนี้คือศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของคนเราอันนี้หลุดจาความเกลียดด้วยความพยาบาปคนเราถ้าเรารู้จักมองสักหน่อยนะเจอใจะสักหน่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่เป็นอันตรายสุดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เขาว่าเราไม่ใช่คนที่ทำร้ายเราแต่ว่าก็คือไอ้ความโกรธ ในใจเราซึ่งถ้าเห็นก็ต้องถามตอวว่าเราปล่อยให้มันเข้ามาได้ยังไงเราปล่อยให้มันเข้ามาได้ยังไงมันก็จะหันมาทาให้หันมาใส่ใจกับการที่ดูแลตัวเองให้ดีๆ ด, ดูแลจิตใจตัวให้ดีๆแทนที่จะไปคิดทําร้ายเขาเขากลับจะมาในเรื่องการจัดการกับจิตใจของตัวเองอันนี้สําคัญกว่า และพอรู้ว่าสิ่ง้ำพันจะต้องจัดการจิตใจเนี่ยตัวเนี่ยแทนที่จะไปคิดล้างแค้นเขานะก็กลับมาเน้นที่การให้อภัยการให้อภัยนี่ก็เป็นวิธีการที่จะช่วยทำให้ความโกรธมันความแค้นหายไปอย่างที่ได้เคยเล่าไว้ เ, เมื่อในเล่าเรื่องอ่าเรื่องราวของกระบวนการกระบวนการ ฆ่าช้า ง, นงในในแอฟริกาเนี่ยโอ้เป็นเป็นกระบวนการใหญ่มากน่ากลัวมากหล่อนพวกกา่ากันลายไปเพราะพวกนี้เอาขายงาช้างเพื่อเป็นทุนซื้ออาวุธทําสงครามรขายขายวามก็ตายก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็นะคงยาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากแต่เพียแค่เป็นเมียของผู้เจ้าที่ที่จับพวกลักรอบค้า ง, งาช้าง จับเมียมาทรมานตัดหูตัดเฉือนจมูกแล้วก็เฉือนริมฝีปานะริมฝีปากเนี่ยไม่รู้มันแย่อย่างไรถึงไปคิดไปเฉือน เ, าเขาโอ้เรากถูกแค้นมาเนยต้องผ่าตัดถึงเจ็ดครั้งนะแต่ตอนหลังเนี่ยเขาสู้ว่าเขาโกดแค้นไม่ไหวแล้วต้องให้อภยัยต้องให้อภัยอย่างเดียวเพราะว่าให้ผลว่า มันทําให้เธอเนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ง่ายขึ้นคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ให้อาภายัยก็เหมือนว่าทำร้ายตัวเองแวิธีการที่จะให้อาภัยคือการวิธีการที่ทำํำร ะ, ะงับความกลัวคือการให้อาภายัยอันนี้เป็นก็วิธีการหนึง่งจะให้าภายัยได้ก็ต้องเห็นโทษของความโกรธนะว่ามันทำร้ายจิตใจเราอย่างไรบ้างเห็นโทษขอความโกรธได้ก็ต้องมีสติด้วยเหมือนกันนะ เพรว่ า, าเวลาโกรธ จ, จริงๆมันไม่คยเห็นโทษหรอกไอสิ่งที่ได้เรียนรู้สิ่งที่ได้ฟังมาว่ากลอมโกรธไม่ดีเนี่ยพอถึงเวลาโกรธ จ, จริงมันไม่สนใจมันจะโกรธอย่างเดียวกูจะโกรธอย่างเดียวขอให้กูได้โกรธนะขอให้กูได้ด่านะกูจะตายก็ไม่เป็นไรขอให้กูได้ด่ ل, าขอใกูได้ทาร้ายเนี่ยนี่คนคลั่งคขนาดนั้นตายก็ไม่ว่าขอให้ได้ ด, ได่าเนี่ยทาด้วยความโง่แท้แต่ทําได้เพราะความโกรธ ตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่มีสติแนละ้วมันไม่เห็นโทษความโกรธนะแต่พอมีสติปุ๊บมันมันไม่ปล่อยให้ความโกรธเรือรังนะอันนี้ก็ก็พิจารณาไว้นะที่นเราจะต่อจะฆ่าความโกรธย่อมอยู่เป็นสุขไม่เศร้าโศกโกรธเงินนี่เราเป็นพิษแต่มันมียอดหวานเนี่ยมันก็เลยมีสนเสน่ห์ที่คนก็อยากจะโกรธ ก, กัน